กิจประการภในเรยนเรียนรู้ริจนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคือลูก ป, ประจ า, า ร, ปปรจาของเราลูกประจารของดวงมือดับลงไป้าย น, นมีแสงใน ม, มีแสงใจะว่างเมื่อไม่จะว่างก็ไม่เห็นแสงไม่เห็นสีไม่เห็นช่องไม่นทางอันนี้ตรงนัอนกันสำเนสริจ น, นี้เหมือนลู ป, ประจาร ที่เราคุยทางไปก่อยเมื่อเราจะเดินไปตรงไหนตัวี่ว่าใจลูกตามองไปอืมีตามองไปท่าจะเดินไปเรื่อยจะทํา ก, ก, ก, ก, ก, ก, กิจการต่างๆเป็นต้อนใอจลูกตาเป็นปู่บุกเบลเปนความมืดเนความมวัวเป็นธรรมดาของอย่างนั้เขาเรียกอะไรพระธรรมกุศลประวัติประทาูษษ่ ทั้งหมดหลักทังสี่รานี้เป็นหลักการเป็นมีาการต้องตกมาถทุกคนทผ่านมาทุกหลอย่างเหดคอยาแคริเมียรน่ือรืุ่งพุทธาคระนิุตัทวัตรแล้ทอย่างที่เเลยให้เข้าใจเรเมือเรียนมันตื้นนีเรียนไปใหนมดูหล รู้จากประสบปฏิบาติต่างความรู้ของเราที่เราเรีย น, นไม่มีเที่ยงหายอะไรเลยไม่มีกา ม, มันเสียอะไรไอความรู้ข้างนอกเป็นปฏิบัตินั้นมันเป็นของมีคุณค่าน้อยมันเป็นของมีคุณค่ามากโดยตรงมันเป็นอย่างนี้นมันจะมีคุณค่าเมื่อเรียนลานเราหยิบเอาข้อความอะใรอันหนึ่ง เป็นสาระไปดูดในพระธรรมยใ น, นมันมาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจเห็นอะไรเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นเจ้าของนี่เองไม่ใช่เห็นตัวเองที่จับเห็นถ้าหากว่าเราเอาไว้ข้างนอกนั่นไปอยู่ข้างนอกถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเรา มันประโยชน์ในใจของเราจริงอะไรที่เราเล่เาเรียนมาเป็นปริยัติมันมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมากมายเป็นต้นว่าเราจะปฏิบัติสมาถะกรรมฐานวิปัสนาสรรมฐานเรียกว่าปฏิบัติธรรมกันเลยหลายหลายเรื่องมันจะผ่านไปอืม ถา้าเราเน้นปดิวัสิ่งเหล่านีในใา้ใมันก็มีาละะมันก็มีกำลังมันมีความรู้สึกซึ่งดีกว่าที่เราเรียนมานถ้าหากว่าท้องที่มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่น้นเข้ามาในใจนมาประพฤติปฏิบัติมันจะไ่เกิประโยชน์ไม่รู้ทื่ ยิ่งทําทหใปริญญานั้นมองสิ่ง่งเหยิงเรื่ อ, องก็เห็นว่ามันไม่เคยประโยชน์ไม่ว่าจะปริญญาหรอกมีด เ, เล่มหนึ่งที่มันมีคมมันคมคมเนื่อเรารับแล้วเราเกมันไว้เม่อเอาไปใช้ ม, งงมันก็มีประโยชน์ถึงคมมันก็มีประโยชน์ถึงไม่คมมันก็มีประโยชน์การศึกษาเราเรียนปริญญานี้ก่อปีกัน ถ้าเราไม่น้อมทำมาให้ปฏิบัติได้ในใจของเราเนี่ปริยัต์นั้นไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าปริยัต์นั้นไม่สมบูรณ์การเรียนผู้การรู้ปริยัาต์นั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ในข้อปฏิบัติไม่ไมรู้จักคุณของปริยัาติการที่เราเล่าเรียนมา ไอ้ปริญญาที่เรียนตัวไห้มันรู้จักละมื่อ ม, มาปฏิบัติเช่นคำ ส, สอนอย่างไรท่านกล่าวถึงอะไรต่ออะไรทุกอย่างโดยมากกรณีอะไรลนะธรรมะาที่พอพระพ เ, เจ้าสั่งสอนเป็นคำทำทางยินัยนั่นแหละเราะมาเป็นคำสอนของพอพระเจ้าเท่านั้นเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นคำสอนถ้าเราบอกพร ะ, ะนี่เรา เรียนไปมันก็ไม่เกประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะวีดเล่นมันมันจะครมอยู่ตจริงมันไม่เกิประโยชน์ถ้าเราไม่เอาไปสร้างประโยชน์อันนี้ผลเหมือนกันนั่นเปนนิสัยเรียมีดเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะไปทำทำในในที่เราเรียนมานี้ผลเหมันสันนั่นเนี่ยเดือดเหมันมีดเล่นมันพรม ถ้ามีมีคู่ตลาดสามารถเอามีรดอ น, นั้นมาใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์พอใช้เป็นทางผิดมันก็ผิดมันใช้ไปทาำผูกมันก็ผูกตอนนั้นเนี่ยม่อื่นไปแล้วอมืมีดเรื่องนั้นมันมีคมเจยเอยไม่มีความสามารถทําการงานอะไรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ั ม, มีดเรื่องนั้นมันคม เขเข้าการเหงืสาคนยัง ม, มีปัญญาเอาไปสร้างประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์เป็นน้อยถ้าคนมีปัญญานั้นเป็นตนก่อสร้างเอาวิญญาณนั้นไปทำประโยชน์เปนประโยชน์มากฉะ น, นั้นวิญญาณปพรมตัวดีเป็นเพราะคนทําไม่ใช่เป็นตัววิญญาณจริยธรรมในยมบาลืม เป็นแนวชี้ทางให้พวกเรารู้จักผิดถูถ้าเรารู้จักผิดถูกเฉยๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบตัติเราปฏิบัติเมื่ออะไรมันผิดเราก็ไม่ต้องทำมันเลิกมันอย่าไปพูดมันอย่าไปทามันอย่าไปใจมันนี่เรียกว่าปฏิบัติ อันใดมันเกิประโยชน์นั้นน้อมเอาไว้ในจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติตามกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกการปฏิบัติมีนิจฉันถ้าเราปฏิบัติปริญัต้อง็กิดประโยชน์ขึ้นมารู้เนื้อแท้ของธรรมะรู้เนื้อแท้ของโอวาทของตระผู้ปิจักรฉะนั้นตัวเราทั้งหลายทุกคนทุกองทุกท่านแบบนี้ จะเป็นนักดนตรีประจามนักสังพูประจามนักทัรตีประจามที่ใปั้บอนมมาทุกทุกท่านเลถ้าหากราพกันสนใจจะเป็นนักดตรีประจามนักสพูปรจามนักทัต์ประามถ้าเราพากันสนใจในปุบญันั้นก็เอาปปั้บนนมาปฏิ อันใด ม, มันคิดก็ลกมันมันก็ไม่คิดอันใดมันถูก็น้อมพมาประพฤติปฏิบัติไปตาง่ายๆคือว่าให้สังวรสังรวมทำไมต้องสังวรสังรวมเรามีตามีหูมีจ ม, มูกมีลิ้นมีไต ม, ม, มีจั๊ อันนี้มันเป็นหนทางนำอารมณ์เข้มาสุขจิตของเราสร้าเราถ้าเราเอรอบรู้ในะอายสถะหนายอยู่มันก็รู้จักที่ที่จะขู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าต่านจึงให้สังวรแค้แก็สั้งรวมในจิตใจ ให้ใจเป็นผู้ตลาดให้ใจเป็นผู้รูใใร้ให้ใจเป็นผู้เห็นให้ใจเป็นผู้เป็นธรรมะเรี็นธรรมะต่อตามาจะต้องรู้ธรรมะแล้วกอปฏิบัติธรรมะแล้วก็ททกเห็นธรรมะทั้งสี่ประการนี้ยังไม่ถึงจะอยู่ทุกข์ที่สุด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 อันนี้มันไม่เสียประโยชนดังนั้นสิ่งทั้งหลายนี้จึงเรียนรวงพ่อปฏิบัติประโยชนเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลคืออะไรที่เราไม่เคยสังดวมเรามาสังดวมมันเสียเมื่อสังดวมมันมันจะมีเรื่อน้อยมีอารมณ์น้อยมีความตะขิดตะขวงในใจของเรามันน้อยมีความรู้สึกมากมีความสื่ตาสื่นใจมาก จะยจะเดินจะนั่งจะนอนเรเป็นผู้มีความรู้อยู่สังวร อ, อยู่สังรวม อ, อยู่ตลอดกาลตลอดเลเมื่อเราสังวรสังรวมอยู่เรารู้จักผิดเรารู้จักผูกอะไรมันผิดนะอะไรมันเลอะเทออะไรมันผูกแล้วก็นอนขมามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันกเกิดปฏิเวทคือผล อันเกิดจากการศึกษาเร้าเรียนพระธรรมอยหม่มันก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัตปฏิเวทหลักของมันเป็นอย่างนั้นปริยัติก็เพื่อให้ปฏิบัติเกิดขึ้นมาปฏิบัตเพื่อให้ถึงปฏิเวคือทางคนจากใจทั้งหลายนั่นเรียกว่าผลที่เกิดึ้นจากการเรียนอันนี้เรียกว่าปริยัติ ข้งนอกการยึดข้านอกอ่านตามตัวหนังสือเป็นแบบตาโหูจ ม, มูกจีนไตกา ย, ายอายตนะมีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอายตนะอย่างนั้นเป็นอายตนะขังนอกเป็นตัวหนังสือตาเป็นตัวหนังสือแตรูปกายอยู่กับเรา หูมันเป็นตัวหนังสือต่พบในตำราไม่เห็นเนาะไม่รู้หมีเ<อ>จตัวหนังสือแต่อูจะต่อหอหแกอกหูมันอยู่ที่เหาจมูเป็นไอ้เยสันนะอันหนึ่งเมื่อเราเป็นมองดูในตำราก็เห็ตัวหนังสือเพราะจมูกมันอยู่ที่เหาลิ้นก็เป็นตัวหนังสืออย่างเดีย ไม่มีมีแต่ตัวหนังสือรูงอยู่บุตรเราได้ไปดูในหนังสือก็เห็นแตตัวนังสือไม่เห็นได้ยึดไปดูข้างนอกมันจะเป็นตัวหนังสือตัวความรู้สึกจะอยู่ที่เราเนี่น้อมบริยัตข้างนอกเข้ามามาอูที่ตัวเราทางหมดตาของเซลลี่ได้ยึดตัวปริยัต ถ้าผู้เรียนบริยัตโนมมาจุดนี้จะมีอายตนะอยู่สี่ตัวเราตาหูจมูกหินใจใจถ้าเรา ม, ามองลุนตาเราเข้าไปตาเราจำล้อมที่จะเห็นรูปเมื่อเห็นรูปมันก็ต้องเกิดความรู้สึกขึ้นว่ารูปนี้มันสวยรูปนี้มันสวย รูปอะไรมันสวยแล้วตัวกำหนัดในรูปมันนั้นรูปอะไรไม่สวยแล้วกัวเบียดมันนี่เบียดมันสวยอยู่ตรงนี้ปฏิยาณมันชี้อยู่ข้างใ น, นมันอยู่อย่างเนี้ปฏิญาข้างนอกคือตัวหนังสือแล้วมันไปจับหนังสือที่อ่านในพุทเวลาพลาน้อมเข้ามาในกายของเราเป็นต้นตามันก็จะเห็นเป็นปฏิญาเลี้ยนปฏิญามันรู้ มันรู้ตาเห็นรู้มันรักมันเบียดนี่คือมันรู้มันรู้สึกที่นี้ไม่ใชอยู่ที่ตัวงตื่นนี่เดียวกัปฎิญาเรียนให้มันรู้จักรู้จักความมันรักรู้จักความมันเบียดถ้ามันรักมันก็ชอบไอ้ความชอบมันก็ให้เราเบิดพุ่งไม่ลักมันแต่เราเบิดพุ่ง ทั้งรักทั้งเกลียดต้องไปให้เราปวดทุกข์ถ้าเรามาอ่านปริยัติภาในมันจะเห็นชัดเจนเยห็นตัวโลกตัวโกตัวหลงเห็นภ า, านี่ถ้ารน้อมประมะจะโง่รีบตายคิด ต, ตัวมันตัยเป็นปริยัติปริยัติชนิดนี้ปริยัติภายในเราน้อมออกมาจากปริยัติภายนอกน้อมประมะนี้เดี๋ยวปรปริยัติ ตาเป็นปริญญติหูเป็นปริญญติจมูกเป็นปริยัติหูเป็นปริญญติอินเป็นปริญญติกาเป็นปริยัติใจก็เป็นปริยัติเพราะมันชี้แนวทางให้เรามันรับมันก็ชี้แนวทางให้เรามันเกียรติมันไปชี้แนวทางอะไรให้เราสารคดีอย่างทางอายตนะนี้นี่คือที่เรียนปริยัติทั้นแรโดยตรง ถ้าเรารู้อายัญญาภายในเราก็รู้จัด ก, การสังวรรู้จัด ก, การสังรวมรู้จัดจิดรู้จัดโก ร, รู้จัดชั่วรู้จัดทีเพราะมันเกิดที่นี่ไม่จะไปเกิดด้วยสีัวงสีท่านเลียงว่าดิกยวรยัตน้อมวรยัตประมาั น, นีใ น, ในใจของเราจึงจะเห็นข้อปฏิบัติ ถารารู้ตัวในสิ่งเฉยๆไม่เห็นปฏิบัติไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีความโรภความโสดความดมเพิ่มนี่นันเกิดขึ้นที่ใจของเจ้าของนี้เพราะนั้นการเรียนปยริญญาตรู้ปริญญาตเนี้ไม่ใช่ของอริยมันผลเป็นต้องการปฏิบัติอันนีรู้ควรรักอันนี้รู้และนนลควรวางอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันเป็นปริญญติอย่างนั้นะ อถ้าเห็นว่ามันชอบแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ชอบแล้วแล้วก็ไม่มาปฏิบัติจริงอลไรมันผิด ก, ก็ปฏิบั ต, ติเพ่อเลกมันลักมันอะไรมันถูกเราน้อมเขมากก้ามาประพฤติไปปฏิบัติไปแล้วมันถูกในทางของปริยอื ม, อมนี่เรียกว่าปริยัติภายในมันเกในการปฏิบัติ ถ้าเรารู้จากการปฏิบัติจากปริยัตินั้นเราจะเกิดผลมากตั้งแใจไหลใจลอยมาแล้วอืมถึงแม้ว่าเราไม่ไประเรียนตามหนังสือถ้าเรามาตั้งวอนตั้งรวมกําโนดลงที่อายุสนะที่มันมีอยู่นี่ก็รเรียกว่าเราเรียนก็รเรียกว่าเราสึตษา ปฏิญาภายในอันนี้เป็นปฏิญาตภายในเมื่อน้อมก็มาเห็นครับมันทูกข์วเห็นมันสุดกว่เห็นมันโลภกว่เห็นมันโสดกวเห็นแหนทุกอย่างนที่นี้ปฏิญาติที่เป็นแนทางปฏิบัติเมื่อเห็นปฏิญาติเมื่อมาเห็นแล้วของนักปฏิบัติละปฏิบัติบําเพ็ญเป็นหัวใจของตุตสาสนาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ชอบอะไรที่มันผิดเราก็ลิ ั้าปะปะผอการนันปะปะานั้นการในตังความชั่วทั้งหลายทังปวงนั้นและเอตังพุธศาสันังอันนั้นเป็นหัวใจปุตตศาสนาเนี่ยเรียนปริยัตรู้แกไม่ปฏิบัติเหมือนคนทำนาไม่เอาข้าม ทำสวนไม่เอาขันทิ้งเหมือนการฉันนั้นไม่มากไปกว่า น, นั้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปเข้าใจว่าเราเรียนปริยัติเดีวเรารู้จากปริยัติอยาเข้าใจว่าเราดีแล้วใช่อย่างนั้นจะต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติตามปริยัติที่เรารลู้เราเรียนมานั่นแหละไม่ใช่อีกใจหร้ก โดยมากเท่าที่ผมสังเกตผมเคยสอนนักเรียนมาสอนมาัแต่ก่อนยังไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผมเดินพิจารณากลับไปกลับมาและผมก็ะทิ้งเล็กว่าได้มาปฏิบัตินั่งพูดกับท่านทั้งหลายอยู่ในเวลานี้ ผมเบื่อแล้วผมออกมาแล้วที่มาวัดน้องประพงนี้ก็มีพระคกเกิมามากอีกพอสมควรที่จะคนไม่รู้เรื่องทั้งนั้นผมก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่ารู้อยู่ว่าพระกรรมฐานอยู่ในป่าโวยมากท่านเรียนทางซีกันเพราะทำไมถ้าเรียนปริยัติขึ้นในวัดป่า ในขมนุ่น ม, มรมาฐานพวกภาวนาหลอกทุกสาขาทุกสำนักเสื่อมมันเสื่อมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมกาหา ม, มูลเหตุมันจะว่ามันเสื่อมเพราะอะไรปีหนึ่งพระเนรมาจำพรรษามีแต่พระไม่ดูเรื่องพระอุตส่าห์มาสอนให้ที่นี่ในสอนมากกวสอนสี่วันแล้วนะเนี่ย เกียรติงชอบได้หมดทุกองค์เลยสอนจริงๆฉันจะสอัเนี่นก็สอนเในตลอดหกโมงแจงกระทู้ ม, มีกระดาษนะมีใบไม้เป็นในป่าไม่มีอะไรจะเขียนนะให้แจงกระทูกระเป๋าเลยเทพเลยปฏิภาณเลยทุกคนชอบเลยท่าเก็ยรติงสี่องค์งนี่การสอบได้แต่ว่า ขนของการปฏิบัติมันจืดจางไปจางไปจางปัดเมื่อเรียนปริญญาจบแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยพระองค์นี้เคยสังบอนสังรวมไม่อึดอึดเออเน้นตรงนี้สงบระงับตั้งแต่ก่อ น, นทั้ครูนั่นแหละเมื่อเรียนปริญญาจบมาแล้วน่ะ ถ้าไม่เคยจะดีเสียมเสียมนาัยย่าเนี่ยผมไม่พูดแต่ผมสังเกตต้องเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นเพราะมันประชุมกันอย่างจิตใจของเรานั้นพยายามพ่องพยายามบ่นพยายามจดจําอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยวุน่นแล้วกเอาพระเนนไปรวมกันสอนแต่ก็พูดกัารอะไรการวุ่นวายหลายอย่าง ก็เลยเป็นเหตุให้เรารืมหลักที่เราประพฤติปฏิบัติอันเดิมริงเป็นเหตุให้เป็นนิสัยรวมกลุ่มรวมพวกเข้ากันแล้วพูดกอพูดมากพูดหลายพูดไม่เป็นสารประโยชน์สารพัดอย่างได้เกิดเป็นว่าเรียนปริญญาต เสื ah. ่อมมันเสื่อมไม่เสื่อมเพราะปัญญามันเสื่อมเพราะเราไม่ปฏิบัติตังหารไปตามประเด็นทเราเรียมาทำไมที่เป็นอย่างนั้นมันลื้ไปมันเผลอไปอะไรต่ออะไรมันวุ่นเมื่อรวมสูุมใหญ่แล้วนั่นถอดออกไันได้ เหลือแต่คนที่มีปัญญาเข้าในกลุ่มหมูก่ก็เหมือนด้อยู่คนเดียวออกจากกว ก, ก่มเหมนอยู่คนเยียวใจมันตั้งมันอยู่อย่างนั้นอันนี้มันหาน้อยในความว่าปิญญาสีนั่นผมไม่เลิกท่านะกูสุป์บอกวันนี้มนลสอนอยู่ผมไม่เอาแล้วทำนี่ก็ททำดูเหรอมันจะเป็นยังไงทำดู เลยเป็นพระที่จะสอนยาสามเณรที่สอนยากเมื่อตัวอยากตึกกันมุ่นนี่ผมเคยเห็นข้อมูลของการปฏิญติว่ามาสอนหรือมาเรียนกันในสำนักพระธรรมฐานเนี่ยมันชอบเชื่อมไม่เสื่อมข้อเรียนปริญติ มันเสื่อมเพราะคนมันโง่มันลืมตัวโูดมากโูดร้ายโูดเป็นสาระประโยชน์นตลกตานองเป็นคนที่มีมายาสาไถยสารพัดอย่างมันเป็นเพราะอันนี้เสื่อมต่อมาอีกก็หยุดมานานเหมือนกันเมื่อมีลูกหลานคุณบุทลูกหลานทำมาบวช ผมก็มองไปอีกแง่หนึ่งว่ามันจะโง่อย่างไรอย่างไรถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ก็เดียกว่าให้มันรู้ปริยัติไว้วางตัวดีตอนนี้ก็ย้อนกลับมาอีกที่นี่ผมไม่สอนที่นี่จัดพระสอนให้เมื่อท่านสอนนั่นแหละท่านพยายามสอน แต่เวลามองในสายตาพลังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรสงสับที่ว่าครูอาจารย์ลงกําลังลงทุนแนะนำสอนกดนักเรียนไม่เห็นประโยชน์เท่าที่ควรนี่มันเป็นอย่างนี้ตามที่ผมที่นาอยูน่นี่เท่าที่ผมทําการงานมาหลายสิบปีเหมือนกันเนี่ยเทียบกับพวก การย า, านันิดทางหลายนี้ไม่ใช่คนทาไปเฉยๆถึงแม้ผมพูดต่ีหรือผมม่พูดตัวีพ้าส่งตามผลงานที่ทำมาอยู่เสมอที่นี่ก็เลยในความว่าการเรียนปริัตินี้ในสำนักจิตกรรมฐานที่สงบมีเชื่อมเนี่ยเชื่อมมันเฉื่อม มันไม่เสื่อมเพราะการเรียนปริญญามันเสื่อมเพราะบุคคลที่โง่ไม่ฉลาดไม่มีความสามารถตังเกตดูนั่งสมาธิเนสมัยก่อนไม่มีอะไรมากนั่งสมาธิมีมันสงบตลอดมาถึงนักเรียนทุกวันนี้น้อยองค์ที่สุดนั่งสมาธิเลี้ยวลุกไปแล้ี้ยวไป สารพัดอย่างไม่ถึงเวลาควรจะไปก็ไปครูบาอาจารย์สอนเยอะไม่ควรเสียัไปก็ไปไปปวดอุจจาะเล็กน้อยปวดปวัสสาวะเล็กน้อยก็ไปนี่ทันเนื้อทันตัวเล็ก น, น้อยน้อยเป็นต้นนี่ก่อ็ลูกนี้ไปสารพัดอย่างวันหนึ่งผมมาจากวารินนี่มาจากสี่ไหนไครรู้วะมีนีนองหนึ่ง กำลังพระ ส, สท่านตรวจมณฑ์แล้วก็คนนั่งกรรมาฐานผมมาจากโน่นเดินมาเห็นสมเด็จองหนึ่งนอนเหยียดอยู่ห ล, ลังลาลาถนนหน้าลาลาพระท่านนั่งสมาธิสมเด็จมานอนเหยียดใช่ผมมามองเห็นโอ้โหมันเต้นเอทเินเนี่ไม่ตัว ผมก็เอาข้าไปเสพดูกระเทียมพอมองแกงส้มปุ๊บลูกวิก่มันขี้เกียมันคือเกี ย, ยจ ห, หรือไม่เจนเนอรหรือนั่งสมาธิรวมกลุ่มเนี่ยต้องออกมา่านข้างนอกออกไมย่ยอข้างนอกอยู่ในอยู่ในสายมันจะตายน่ใจมันจะขาดหรือไม่ออกมาเป็นต้นก็นั่งสับพะโลกนั่ ง, งวงนอนพอนั่งคึกว่้น ง, วงนอน เอาอยู่ทังอย่างไม่ทนไม่ทานหมดกำลังหมดความเพียรหมดการอดทนความอดทนแสดงว่ามันโง่เกินทีเรียนไปเรียนไปจะหาความสามารถีกันอย่างนี้ ม, นมันมต่อยากบปรยอะตัวนี้ ให้มีสามเจ้านี้ น, ะนี่ยดูสินนุ่ตรนกมีถ้าเพื่อนเพท่นเพ่อนที่เรียนมาเนยเาไปคนนี้ติดจองเลยดูพวกเราอ่ะเราไม่ปฏิบัติเช่นใครปฏิบัติเราไม่สอนตันให้จะสอนกันเก็บให้เรามาดูกันให้จะดูกัน พอ่อแม่เนาไม่มีอยู่ที่นี้ไม่มีแต่พุทธองค์เป็นพ่อของเราคําสอนเป็นพ่อของเราเป็นปีครึ่งที่อาศัยของเราเราจะปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของท่านคนเป็นเจ้าทุกทีทุกส่วนพยายามทำมาจะได้มีกำลังจะมีบุญจะได้อยู่สบายจะได้กินสบายจะไม่โอดจะไม่อยาก ถ้าิ่งพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วไม่จะอาศัยใครไม่มีที่อาศัยแล้วให้คิดคิดดูทุกท่านในพบเหตุการณ์นั้นหนึ่งที่ทำอย่างเพดผมไม่เศร้าใจเลย กอเห็นใจมันเศ้าใจไปแล้วจะ ต, ต้องแก้ไขสมมเนนเนี่ยเล็กๆไม่รู้ว่าสกขาที่ไหนอะไรมันรงกันไป<ม>เพราะเห็นว่าประโยชน์ที่การเรยูที่นีมันน้อยจะให้นักเรียนเัาเรียนมีสีกันแคจะมีโกนตัน้่เอาขึ้นไปอยู่เขาทาแจกเท็ด<ม> ท, ทั้งพระทั้งเนเป็ะอะไรเนน นี โ, โอ้เาหาอย่างมากเจ้าหอย่างมากมอนเหมือนกรเดิษฐ์ทวาไม่มีการกราบไม่มีการไหอย่างมีการสังวรสังวรการไปกานมาการพูดการจาจ้านะครับอย่างใส้ายกระเด็กองในถูกอบรม <c ười> <c ười> อันนี้เป็นส่วนเสียมเป็นส่วนเสียเจยุวะตะโงงอยู่พวกเมตั้ด้อย่างนั้นนะก็ผมไม่ได้ไปที่ไหนก็ อ, อยู่ที่นี่ตนี้ า, าตโยมมาศึกษาธรรมะตัมตโมถ้าเล็กเนีย น, น้อยก็คงอยู่ค่นอนนกนอกแ่ผมเองนี่ตามเป็นนั่งผมจะชวนขับหลังมาแย่ายานาะเจ็ทีนะครับคนที่อยู่บุกดีทีคสั้ไอ้ความจิงๆผมนในอันหน้าสันโ ไปเรียมหรือทุกๆคนที่มีภรรษาพอสมควรมาให้มีอำ น, นาจให้สอนพระ <S 1> <S 1> ให้สอนเมธให้เป็นประธานอย่างนี้ต้องไม่เคได้ผลก็คงจะเป็นว่าสอน น, ะ น, น, น, อนั่นไม่ได้ผลเลยไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครร้องความไม่มีใครอะไรซ้อไรเนนะ่ะโดยจุดไม่มีกาลังใจที่จะแนะนําสอนสอนทุกสบายไปตามดรื่ อย่างนี้เหตุการณ์ที่วัดน้องประโคนเนี่ยมันทุกวันจะโสมันคือ ว, วันโสงบัดมันจะโทมไม่โสงไปไม่โรงไปเลยดเคยสังเกตไหมว่าทางว่าผมดีนี้สต่อางวัดประโคงเนี่ยมันเศ้าคือ เป็นพระอะไรพระเราขาการทิ่เ จ, จริญนก็จาริจะพูดเสพปัดจวบเสพปกดิกกนผ่าวาดไม่จ ร, น ร, น ร, นรนาาินาฏเกียริวัฒการกดฉันไม่ทีจนาสกียิวัฒนการนุ่งห่มไม่ทีรนาฏเกียรติวัฒการพูดยาบาลใสทุกส่วนเป็นต้นไม่มีสีเกียิวะหมด แต่ไม่รู้ตัวนะมันไม่รู้ตัวอไอ้คนที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้ตัวให้พ่อคนที่มีความรู้มีความฉลาดมองเองกทักษะนี้เีนัดนี้ลอดไปเขาไม่เลื่อนไบางทีก็บรรทุกอะไรมาถามลูก็่อยู่ไม่ไม่อยู่ตอบเลือนไปมันน้ยลง น, น้อยลงอันนี้มันแค่นี้นะ ลองคิดอยู่ที่ท่านหลายว่าเมื่อผมตายไปนะนั่นจะเป็นยังไงดูสมมติว่าผมตายไปนะนั่นจะเป็นอย่างไรแล้ววิภายนะังไงอย่างไรเนาะจะคุ้มครองรนะักษาที่อยู่ที่อาศัยที่นี่ผมเลยพยายามให้มีสุสีทุอย่างนี้ ถ้ากันคิดดูดิบดูดิบระวังเนื้อพวกเราระวงังระวงังมันอยากจะเป็นมาอย่างนี้ทุกที่เลยไม่รู้ความจริงไงเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอาศัยคนอยู่แต่เมื่อแหวนใสตัวของเราถ้าแหวนใส่ตัวของเราก็าในในในใาไม่ช่วยตัวเราตรงนั้นเหละมันก็หมด เช่นว่าบริฐานอะไรต่งางๆที่ควรใช้ในวัดลอยถ้าในใจของลเร า, าก็ไม่ปะยัดเก็บเงินมีประหยัดดูแดูแต่ถึงเพราะทำไมเพาะเห็นหน่องใสๆ ข, ของเราไม่ลนใจนิ่ง น, นี่งมันดีโดยเบพาะเล น, นี่าด กาศรศึกษาเ่าเรียนเรเรียนมาทำไมใหรู้ในสนประโยชน์คือพวกเราทึ่เรียนมามันสวนประโยชนหาดีนี่แหละอยู่เฉยๆก็เ น, นี่ยมีคนมาสอในใหเรารู้ให้เราฉลาดนี่นะม่จอนกัานอกต็องีจ้างเอามาสอนนี่สอนนวันาต้องว่าคางมีใคจ้าง มีทัศนาสอนด้านมง่งก็คงจะเลยจักใจสอนดอกเพราะผมในเมื่อนำมาช่วยั้นให้รับครูบาอาจารย์จะ้อสอนไปทั้นีน้ที่พวกเราจะทำกันยังไงคิดกันยังไงเมื่อเรียนมาแล้วที่วัดหนองประโคนมี่ก็ดีสาหารวัดหนองประโคนมี่ก็ดี จะมีมากจะมีน้อยแต่ประกันทางความเข้าใจว่าเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตรงนี้เรองนี้หรืเรื่องสองเราจะช่วยกันทำพระศาสนานี้ให้มันเจริญให้มันงอกงามให้มันยังยืี ไม่ใช่หรอกหรบวชเนี่ยนะความสุขอย่างอื่นตอนนี้มันเข้าตอนวัด บ, บ้านานที่เขาไม่ได้รู้จากการปฏิปฏบัติมันเชื่อมไปมเชื่อมไป เ, เชื่อมไปจึงกระทั่งมาดูที่สว่างดู ธรรอาจารย์ทรงวัดสนใจพูดว่าต่อไปนี้วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดบ้านมันจะเป็นสลีหอบสลหอมันจะเป็ น, นปฏ า, านดูทีเดีย ที่แทาทางความคอัวในกำลังมันเหมือนการเรียนเหมือนสอนการโคตเหมือนสอนกเดินําไป่กันัน้่กัน น, น, น, น, น, น, น, นี่ความโคตของบรรพบุรุษเราในสมต่อไปข้างหน้านี่วัดป่ามันจะเป็นวัดบวบัด้บบาดมันจะเป็นคระฤๅษีพระฤที่เป็นสักดิ์ศรีพันเข้ามาอนะไรเนีย ปะมาณมาณไมรู้ไม่รู้มาณนั้นเป็นลลี่แหละะเนรพวันหนึ่งเหมือนกับือหักเทานันล้นี้อะไรนี่สงวนสงวนเท่านั้ น, น, น, นคือมันเป็นดีตรงมันอย่างนี้นมีเราีานชัดแล้วบิปักษส์สงวนคือโยมในว่านนะ่มันเป็นจากเด็กผา น, น, นมันไม่รู้จากพ่อมันไม่รู้จากแม่มันรไม่รู้จากพี่มันรู้จากลูกมันไม่รู้จกกัจกอ ะ, อ, อะไรต่อะตอะไรเท่านั้นส่วน ในใจทุกคนนะโดยมากมันจะเป็นแต่อย่างนั้ลูกการเล่นกิริยาภรรยาคนทีสวรรณนี่มันเป็นอย่างนี้คนละบับสองคนนะมันมีคนจะฉบับเป็นม น, น, นุษย์ตัสี่คนมันมีคนจะฉบับเป็นมนุษย์ตั้งสี่คนดูมันรูดูเถอะเนี่ยเราจะเห็นชัว่ามันจะจริงพอทั้ง ที่พวกเราพากันแบกพากันช่วยกันสนับสนุนในทางธรรมะย่าให้อาจทษฐามันเกิดขึ้นมาช่วยกันทำช่วยกันปฏิบัติให้เลื่อถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าของเรานั้น ที่พระมีพระมหากรุาธิคุณมากทีุ่ดเราจะรู้ข้ออาพข้อทางรู้ข้อประพฤติปฏิบัติรู้ดีรู้ชั่วเฉพาะประคุณท่านเราจะสป็นนช่วยเป็นน้องคุณท่านโดยการประพฤติปฏิบัติตามเมวทองของท่านต่อไปนี้เราก็ไม่เดยผิดสาว ปรจจัยทางนอกแต่ตเราว่า้นวิสัยที่เราจะเรียนเป็นสอบล้าเราควรยกมาตับมาเรียนปัิจัยภายในเตรีมาทั้งวงทั้งวอตาหูจมูกวิสใจใจให้เ ห, นะเหมือนธรรมะอย่างไม่เหมือนธรรมะ การยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนกานราาาพูยยาาราาดการจ า, าทัา้งหดทั้อย่างอย่าทาให้มันเหมือนพลวัาดีไซน์ดูนี่ว่าข้าตื่นหนึ่งนาแล้วเมื่อไงจะไร็นยาีมังสุตุปังกะโรมีีมังปริทาลัโสรังมิธานีีมังสังคาบินาสิธานี ยิมันมุตนาชาสังกัดิ พ, พานทุกชินทั้งที่เจริญยาบริโคอุปโคเหมือนเสนว่าเหมือนสัวนตว์เลีกษงเสื่อเชื่องสติังเราทุกเวลาในสติโยนี่สันท้าบิดตาบาดหยิกีวงขึ้บนบางก่อนนึกถึงสติจันทราโยในสติโยมาดัง เอาผ้าพีว้อมาผ้าตั้งพามาอู้บามาตั้งจากเพราะหน้าตั้งใจว่าเราจะเข้ารนธรรมบาทเลึกถึงเสียวีร้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะให้พวกเราทั้งหลาเรียบร้อยในข้อบกพร่องติดต่อกันเอยผงผ้าสรีโล่ใบสรีรับบาตรสตีใชสดีจักมากสดี ท่านไนเป็ู้อยู่เตืออยู่เป็นผู้มีติสติอยู่ยากจะมาให้เลืทกถึงเคือว่าสุดพ่อตอนในจะมาพบแม่ัง่อให้ที่ระนาสำนึกอาหารให้มันผสมแตควรเทราะร่าธรรมะท่านมุ่งความพอดีเดินไปท่านก็ลมุ่ไม่ถึงท่านไม่พอท่านกำลังมุ่งอยู่มุ่งความพอดี แตุ่จจาระใช้จะปกันจะไปจะมาอาศัความพอดีเพราะทรรมะมันรวมเลยที่ควาพอดีถ้ามันช่องก็เดยนะถ้ามันเอก็เลยนะต้องพอดีไอ้าพอดีเจเหมาะสมไอ้ความเหมาะสมเราคือความปิดูกต้องมีอันนี้เป็นข้อว่า ต่อไปที่เราจะกระจายโดยการสรัทาก็มีอยู่พวะวัตรงศ์ก็มีจะเดินทุลวงไปสวีไปตัวบางสถานก็มีไปในคิดไหนใ้ส่วนประโยชน์ในคิดนั้นเนงินขึ้นมันมารวมในรังเท่าไัรนแม้มันจะแย่สัสาฉิจในทางก็ตามเถอะมันไปทำไมมันไปเพื่อ ไปดูเตาบ้านมันงเปลือยยางไม่มาปเปลอยดอกไม้มาปเปลืน้ำซึ้งมาปเปลือน้ำ ม, มาทำน้ำซึ้ง <c oughs> ไปแล้วมันก็ลับมาทีเดียวของมันมันรักษาบ้านมันรักษาดวงมันรักษาหลังมันรักษาลูกมันอมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นเราก็ตามจะยืนจะเริยนจะนั่งจะนอนไปเรีกถึงบ้านของเรา คือความสงบคือความแรงงับคือความสงบคือความสงบระวางชีวิตประจํำวันเราต้องให้พิจารณาว่าวันนี้เราจะอยู่อย่างไรเราพูดอยู่อย่างไรเราทําอยู่อย่างไรวิจัยเราเป็นอะไรไหมต้องรู้จักอย่างนั้นเราจึงจะรู้จักแก้ไขเจ้าของถ้าเราไม่เงนมองดูเจ้าขอ ง, ของขเราเราไม่รู้จักฟังแก้ไขเราไม่รู้จักเราเราบันจิตเยอะ ก็รู้จักวาเราผูกกนะันนี่เรื่องตามปิวัตไิไม่รู้ จ, กจกักไม่รู้จักว่าริดไม่รู้จักว่าเูกไม่รู้จักว่าเราควรหรือไม่ควรนี่พิจารณาอยางนี้บางคนก็ศึกษาบางคนก็เล่าเรียนมาจนจะเป็นเมเป็นเด็กนึกพอหวดเป็นค่มาต่อไม่รู้จัก ในรู้จักรพรรดิเจ้ของหรือทำมาจะเป็นเด็กหรือทำมาจะเป็นเนียเเ้ยงอะไรเป็นข้าวคืองค์เจ้าเมื่เจ้ของไปทำให้น้องรัตุจีอัจฉริย์เงินเชื่อมออกมาในความสุขหรคสบายอย่างนี้บำบวดสมาเลยัยพรบดูวา่ายุ่งอยู่ปฏิวัติสงราม ไปทำตามออกจากอบาวัตตังตาเตียได้วุ่นนับวันมันมากขึ้นนับวันมันมากขึ้นมากขึ้ น, น, น, น, น, ม, น, น, นมีเพราะอะไรเพราะไม่สนใจในข้อวัดไม่สนใจในข้อปฏิบัติไม่สนใจดูดังือไม่สนใจดูพระธรรมอยู่ในเพื่อจะเป็นเครื่องรักษาเจ้าของนีในม่สนใจมันเป็นแบบนี้ เราเมื่อเข้ามาวัดสุโขทัยหรืออยู่ตามสถาต า, านอะไรในรู้เขา้าหาครูบาอาจารย์เรียนถามให้เรียนรู้อะไรไม่เข้าใจไปเรียนถามให้เข้าใจที่วัดประพทัยมีก็มีหลายองค์ที่จะศึกษาข้อวัดปฏิบัติบางอย่าง ที่ท่านเป็คนเก่แก่จะเรียนปริยัตมาหนี้ต่อคือท่นานหมาดีสงสัยที่ผ่าบทอะไรงสงสัยในสัตว์มีใ น, ะนอะไรท่านจะพูดให้เราฟังตอนสนมควรเพาตท่านเรียนปริยัตมาแตะดูนี่ซือเต๋าเรียนเทา้าแบบนี้อันนี้เพราะมันดีกว่าดีกว่าเรียนในมันดูจกะฟกัง มีกาบฏมาเรียนต้อ ง, งเดียนนี้เขาไปตุรงออกไปเลยไม่ว่าจะไปไม่รู้เรื่องว่าเขาไปอะไรกันทาไมถ้าคนมีปัญญาจะสอนเรื่องตุรงมันเรื่องทีหลังนะเรื่องเที่ยวมันเรื่องทีหลังแหลเรื่นเรามาเรียนเนีน่ยมารู้ว่าเดินตุรงนไปอย่างไรมีความหมายอย่างไรให้รู้เรื่องอดี้ตั้งกอนจริงไปทำนามีประโยชน์อย่างไรรู้จับประโยชน์ ท, น ท, นทั้งการทํานาที่ทานาทําไรมีประโยชน์อย่างไร แล้วรูจะประโยชน์ในการทำไร่เพื่อจุดทำไร่ผู้ลงไปเพื่ออะไรมัเป็นอะไรู้จากศูนย์ศูนเรือนยังไงเพื่อประโยชน์อะไรนะรู้ก่อนแล้วจุดก่อนทำก่อนดีกว่าเรื่องไปส่งพระวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันแอบแฝงกันในพวกเราเสื่อมสร้างข้อประบฤติปฏิบัติ ชาวไปก็จะไปมีครัวจะมีหลาาักฐานที่จะแน่นอนตันงใจมาอยู่ปาเป็นยังไงนอนยังไงเดินยังไงอยู่อย่างไรมันูเรื่องถ้าไม่คอยไปก็ปทำจว่าแล้วไปมีประโยชน์บาอทีก็ไปกันด้วยไม่รไปถึงไหนกันไม่รั เขาโมกิดเขาถึงตา็เขาเข้านตสิตาที่เกิดทุ่มเขาเรื่องท่ทำทุ่่ออะไเนี่ยนี่ก็ต้อมาขอลาศิกขาเลยทำไมต้อลาศิกาผมดือดชาอันนี้ไม่ใเรื่องการประพฤติจะมีวัตจะจรีบไปไหนล่ะล้วมีความรู้ความเจริญจริคุ้มตัวความเจริญทไปกัน ไป ท, ที่นู่นจิตที่นู่นใสทีินั่นจิตที่นั่นไม่รูว่าพระอะไรเมรนะุไปด้วยกันทั้งหมดเสียหมดบางงูกลับม า, าวัดอะไไม่กล้าจมาในความเสียหายไม่กล้าอันนี้เพื่อเราจะรว ม, มพ่อประพุทธปฏิบัติอย่างเงนมากขึ้นเราอยู่ในพ่อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเลยจะใสโรบโบรับสายที่เรตัดจริงมันทำ เบรูดใบนันทำไมใ้ตัดโพนงมันทำไมที่เราอาศไยอยู่ให้เราคิดดูมันมีดีแค่ไีนเราจะต้องทำตาริยที่เราเรียนมานี่ให้สเสรไปเลยเท่าที่ควรอย่าทิ้งพะก็ดีเล้งก็ดี การับวการเดินจึงคงนแต่าที่พยายามสะทำสุ่นยจมันเสียหายถ้าเรียนนั่งทำเนี่เมันพิเนโดยเฉาะพิเศษพิเยษอะไรี่เยษนั่งพิเศเดินถึงแม้ทวัดนั่งก็พเศษแต่ไม่พิเกียหมือนกนมาเด็เรียนมันต้องเลย หลังนั้นตามที่ผมพิจรารณามาเรียกว่าไดเรียนมาแล้วคุยจิตมันออกไปจำโน้นไปจำนี่โ น, น้นหลายอย่างเท่านั้นไดเสือ่อมไปเพราะอะไรไม่มีสติไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าคนสังใจถ้าคนรู้ตัวถ้าคนมีสติสดีสุดจิตสมุนเรียนปริยานรู้จักแล้วก็ปฏิบัติ ผลสมบูในผ ส, สมหมายเรียกว่าปริยัตเปนเ็นให้ปฏิบัติปฏิบัติจะเป็นเนใรับผนอันเกมาจากปริยัตสติบัตนั้นเเรียกว่าเป็นปฏิเวไอความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามนฐานะคนไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรให้ประกันตั้งหูให้ประกันตั้งใจ กับกบุพชีบดตองไม่ได้มีที่อยู่นั a นนี่มาวัดอยู่ไม่ได้เลยมหาวัดอยู่ไม่ได้ตองได้นั่นเสียงใสทุกวันทุนมันโจรนทุกวันทุกวันเท่าเดมี่พิจารณานี่ไิอาวันนี้อาจารย์เดี่ยที่เป็นระธานนำต้นท่านทั้งหลายมารุปสรรวัดทำวัดทำ อันนี้จะต้องเป็นตามที่จมควรถพราเล็ก น, น้อยควรจำไว้กำหนดไว้